ถ่ายจากอุปทานเดิมเดิมเราเนี่ยเคยตั้งแต่เกิดมาเราจะย้ําว่ า, ากายนี้เราคิดเราเราคิดเรารู้โลกเราบ้านเราตัวเราแล้วก็มีเขามีทุกสิ่งแยกค่อยๆแยกออกไปเนี่ยมันคือการสร้างอุปทานแต่เนี้ยเราจับกันแหละย้ําแต่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราไอ้นี่ไม่ใช่เราคือความคิดปุ๊บหายออกใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงออกแต่ทํามันกุ้งไม้หมด มันจะเป็นภาพเฉยๆหมดเลยมันจะไม่แขางขันก็จะไม่ทํางานน้อยลงอันเนี้ยทางานน้อยลงน้อยลงคิดน้อยๆทุกอย่างมันจะขับจับคืนสู่สภาพเดิมมันจะไม่ปูุงแต่งเลยก็จะไม่ทํางานเองมันก็จะว่างเองมันต้องฝึกมหรืมันก็เป็นใจเป็นอันเนี้ยคือจะเรียกฝึกก็ได้ไม่ฝึกแต่ว่ามันเป็นวสีเลยจนเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันไม่ให้ค่าอะไรเลยเพราะว่า เดิเราเห็นพุกบมัจะปรุงแต่งว่าต้นไม้สวยดอกไม้ดีสีแดงที่แล้เห็นจะเป็นเห็นแค่ต้นไม้คนก็เป็นแค่คนมันจะไม่มีอะไรที่ปรุงแต่งปุ๊บเราไม่มีอะไรที่มันทําเหมือนว่ามีต่อต่อเติมเสริมแต่งเข้าไปเห็นแค่นั้นปุ๊บมันจะจบจบจบจบแค่นั้นเพราะขนาคือการการไร้อุปทานมันก็จะเป็นเป็นวสีเป็นความเคยชินนะครับเหมือนตอนเรามีชีวิตเนี่ยถ้าเราเคยชินกับสิ่งใด พอตายไปปุ๊บมันก็จะเป็นสิ่งนั้นเป็นเป็นอุปทานแล้วก็เกิดสืบต่อเป็นตัวอื่นต่อแตน่นี้เราอุปทาน่คนนึงครับพาอนี้ครับ <c oughs> พอพอเหมือนว่าเราไม่ย้ําบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นว่าสีเราเห็นปุ๊บมันจะเฉะยๆมันจะเป็นว่าล้างล้างทั้งตัวเราแล้วก็กรรพสิ่งด้วยเพราะว่าไอ้ตัวที่ว่าจากที่ว่าเรามีความคิดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันพอเราไป้วสืบก็พอจิตเราละเอียด เราจะเห็นเลยไอ้พวกที่เข้ามาซ้อนกันในความคิดเนี่ยมันจริงๆไม่ใช่เราคิดนะมันเป็นกรรมเก่ากรรมเก่ามันพักดังเพื่อให้เราก็มีตัวตนให้ามาสู่ในความคิดตอนแรกมันก็ว่างสักพักมันก็จะหลอกให้เราไปคิดสิ่งนี้พอเราคิดปุ๊บเราก็ไม่ทันเราก็จ่อใจเราไปทํางานไปเกิดไปโมโหไปไปดึงดูดกับสิ่งนั้นๆแต่เราเราเห็นแค่ความคิดปุ๊บล้วก็ ไม่ได้เสริมเติมแต่งมันก็จะจางหายไปแค่ขณะหนึ่งรู้ปุ๊บมันไม่ได้เอาเรื่องอะไรมันก็จะหายไปสุดท้ายจนมันสั้นๆๆวินาทีหนึ่งมันไม่มีเวลาครับโยมเมตตาเขาบอกที่นี่ครับเจ้าคุณอาจารย์เน้นตัวสติหรือไม่ที่สติมันเป็ น, ป น, ปนจริงจริงมันไม่ได้ไม่ได้เน้นตัวเดียวมันเป็นโพธิปกักษ์สามิบสาสิบเอ็ดคือมีสติสมาธิมีทุกอย่างครบซวนถ้าสติอย่างเดียวจะเป็นวิปัสสนู วิปัสสนุกะวิปัสสนุกเกเรเป็นเน้นสติในด้านเดียวคือพัฒนาสติเพื่อเพืพ่อทํามันมีคําว่าเพื่อเพื่อจะเพื่อเพื่อสติแต่ถ้าปุ๊บสติธรรมชาติมันจะมีครบส่วนครบส่วนทุกอย่างทั้งสมาธิทั้งอะไรคือครบส่วนไอ้สติที่จะบอกวิปัสสนุคือสติที่เราไปกําหนดกําหนดมันเช่นกําหนดว่าเดินที่เทา้าการเคลื่อนไหวมันเน้นเฉพาะปุ๊บ ม, มันบล็อกอยู่สิ่งเดียวปุ๊บเดีย๋ยคือ จริงๆเนี่ยครับสติเหมือนว่ามันคือตัวตัวจะเป็นตัวร้ายกับตัวดีถ้าเป็นตัวร้ายก็คือสู่ภพชาติต่อไปเพราะว่าเราไปจับบล็อกอยู่สิ่งนั้นคือคือภาพอันนั้นนะครับพอวตายปุ๊บมันจะเป็นภพชาติตรงนั้นต่อไปแต่ถ้าคลายสติคือสติธรรมชาติที่ว่าไม่ไแน่นไม่ได้หนัก ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ก็ไม่ได้กอดข่มไม่ได้เป็นเบาๆสภาวะเบาๆมันจะมันจะเหนือแรงดึงดูดของโลกคือดิพานเนี่ยครับแต่ว่ ภ า, าวะใดที่มีการเนหนียวดืดกดบังคับสร้างสร้างขึ้นมาจิตใจเราสร้างขึ้นมาคือการปุงแต่งแต่ถ้าถ้าไม่ได้สร้างมันมีพร้อมเป็นหมดแล้วบางเบาละเอียดไปเรยสติตัวนี้เป็นสติธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติที่ว่าไม่มีเราไปสั่งการถ้าจาับราบเรามีสั่งการเหมือนเหมือนมีไอเคยเห็นที่เขานักสะโพจิตไหมครับเอาลูกนุน จงมีสมาธิจงมีสมาธิจงมีสมาธิจงมีสติตจงมีสติตจงมีสติจงมีนุ่นคือมีจงรวรวยรวยรยเเฮงเฮ ง, งแล้วแต่ว่าเขาจะไปใช้ด้านไหนคือสปกร์ิตนะครับกเช่นถลาเน้นด้านรวยก็สปอริตคือเป็ น, นในสิ่งนั้นมันหลอกเหมือนว่าเอาสังขารเบสร้างจิตแต่ของหุวงพ่อตัยน้ท่านเอาสติกลับไปเชื่อมติดสังคตะธรรมหรือธรรมจะความว่า แต่ให้ับตัวนี้ใชาการในีกับมรดกมเหมือนกันครับข า, ขายกันครับเพราะคือจิตสําพัญคือให้เห็นเดิมแพ้ครับไม่ไม่มีเราไปสั่งการที่บังคับกดพรมยังไงก็คือให้เห็นภาวะให้ว่างให้อะไรเนี้ย <ừ. S 1> คือคือถ้าบางบางที่เขาจะเน้นว่าตรงมีสติก็คือแบบว่าเน้นแต่สติอย่างเดียวมันก็จะจะเป็นไอ้นี่ไงแต่ของหลวงพ่อเน้นคือว่างว่างมันก็คือไรไรภาษาแต่จะเรียกคือ คือมันไม่ได้เน้นอย่างเดียวครับถ้าเน้นอย่างเดียวจะเป็นวิปัสสนาหมดแม้แต่สมาธิสมาธิกสติก็ไม่ได้ใช่ครับครับที่เขาเน้นเป็นมหาสติมหาสตินี่มหาสติเป็นจริงมันมามหาสติเองนะอ๋อมันเป็นเองมันเป็นเองไม่ได้ทำเยอะเหมือนเหมือนการทําทับมาปอนพระพุทธเจ้าแล้วโพธิสัตว์ต่างๆเนี่ยทานเนี่ยหรือสินบารมีเนี่ยการให้ท่านสละปุ๊บท่านไม่ได้คิดว่าเพื่ออะไรมันเป็นทานในตัวเองแล้วก็ ธรรมชาติเขาจัดสรรให้เองแต่นี้นี้ปัจจุบันเหมือนว่าทานเราไปคิดต่อเพื่อจะมีบุญเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อจะไปโน้ <c oughs> มันจัยเป็นปูมแต่งไปจริงๆแค่แค่สละปุ๊บแค่ให้แค่แค่มีปุ๊บมีตัวถือคิดว่าว่างเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นธรรมของมันเองแต่ที่ถ้าเราไปว่างเพื่อจะไปนิพพานเพื <c oughs> <ๆ>่อจะรวยรยเฮงเฮงมันมีซ้อนะมันมีมันไม่จบเพราะว่ามันก็แค่ไหนแค่นั้น ถ้ามีคิดต่อเนี่ยจิตมันมีมีภาวะมีเหมือนเรายน์มเลมเล็ดหวานพืชนหละครับเราไปบั่นวลดินไปย้ำในสิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องมีสติต้องมีธรรมาที่มันก็เลยพอกปูนไปแล้วก็เป็นเป็นเรียก ว, ว่ามวลหนักในสิ่งนั้นมันไม่ได้จลายตัวการปูนี่ตันี่เ็นเ้นแต่ไม่ใช่เน้นการใหครับใ ห, ให้การจาคะศัลลาแม้แต่สละอารมณ์ก็คือสิ่งที่ผุดขึ้นในสมองเนี่ยครับว่า ดีและไม่ดีก็ต้องสละออกเพราะว่าไม่ให้มีอะไรพื้นที่อยู่ในใจในใจคือความว่างแล้วว่างเนี่ยมันมันจะเป็นรูปภาพให้กับสรรพสิ่งไปด้วยครับแต่ถ้าถ้าไม่ว่างมันก็คือเหมือนเหมือนความคิดนะครับว่างไม่ว่างเนี่ยมันก็ยังมีมีความคิดเห็นเป็นคู่ แล้วก็ยกังคุงแต่งอยู่จริงๆเราไปเห็นว่าว่างก็คือไม่ไดีครับพูดได้นี่มันไ ม, ไม่ได้เนีนะครับพูดได้คือไม่ใช่มันจะไม่มีภาษาเราไม่รู้จะพูดอะไรเลย เ, ลเหมือนพอดีไปไหลายๆที่ปุ๊บ ก, ก็เลยไม่ได้พูดเลยท <c> ำ <oughs> แล้วบางีการสื่อจากของธรรมะผมเลยค้างแย่ครับเพราะว่าบางทีเจอคนเจออะไรเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนี้ยครับเพราะว่า ไอ้นั่นเลยครับก็เดินดับให้อะไรให้ขายให้ใหลับแผ่เด็นตาให้เพราะว่ารู้ว่าสิ่งที่พูดไปบุ๊กเขาได้แค่สัญญาครับว่ามันได้ความจําแล้วพอได้ความจําเสร็จก็เอาไปทะเลาะกันว่าไอ้นี่ใช่ไม่ใช่คนนู้นมีธรรมมากคนกนี้จะทาน้อยมันก็แบบว่ามันก็เลยการการเกิดทะเลาะจริงๆทำมันไ ม, ไมีไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรสมาธิก็ไม่ได้บอกอะไรสติก็ไม่ได้บอกเลยมี นิพานก็ไม่ได้บอกอะไรเราบรรจัยเป็นว่าเรา อ, อไปสร้างความหมายใส่ให้มันว่าเป็นอย่างนี้แต่พอถามว่านิพานเป็นไงก็บอกไม่ได้เพราะมันไม่มีภาษาทีนี้เราไปสร้างสร้างภาษามาแล้วก็หลงในสิ่งที่เราเห็นแต่จริงๆมันไม่มีอะไรครับแล้วใ ห, ให้ตัวสมาธิอาจารย์ฝึกมาครับเอามาใช้อะไรได้กับกับภาวะที่อาจารย์เข้าถึงจิตเดิมแทนครับ ใช้ในการปวดสรบสัดแล้วก็หลายสิ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยครับมันจะช่วยให้คุกอย่างสั้นตั้นลงเอตัวเวลาปัจจุบันมันจะหายไปเลยแล้วก็เปิด่าอยู่แค่อยู่มันจะกลายเป็นการปวดตลอดเพราะตัวเราจะไม่ได้บอกว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเพราะทั้งสองอย่างไม่มีประโยชน์แล้วกับเป็นการ ให้ให้ความสว่างสวัยให้อะไรเนี่ยครับพอให้เนี่ยก็คือการให้ให้สลัสลัก็คือการไม่มีตัวตนเป็นตัวกับการคิดว่าเราไม่มีตัวตนมหนจะนึการหลอกตัวเองอยู่แต่นี้เราให้ก็ให้จนไม่มีจนจนไม่รู้จะให้อะไรก็๊คือเอ่ยให้ตลอดทุกเวลาจนพื้นที่ใจเนี่ยไม่มีอะไรเข้าแทกมันก็เลยการว่างเป็นในตัวว่างโดยที่เราไม่ต้องไปทํเว่าว่างว่างเอง ความคิดมันก็จะหายไปหมดเองแล้วก็มันก็เลยเนี่ยนะครับเป็นอัตโมติไปแต่อจารยังต้องฝึกระงสมาไม่ได้ฝึกเลยงง ไ, ไม่เลย<ำ>ไม่ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรไ<ม>เลยแต่ทุกสิ่งที่เข้ามากระจายออกหมดภาวะอะไรแต่ไม่ได้นั่งไม่ได้เน้นว่าจะไปปฏิบัติอะไรแต่แทุกอย่างคือมันก็คือปกลายเป็นปฏิบัติในตัวใช่ มันทุกทุกขณะเลยกลายเป็นว่าเราไม่ต้องว่าต้องไปนั่งสมาธิว่าต้องนั่งเราไม่ต้องเดินแต่ทุกทุก ท, ท, ท, ท, ทุกยามก้าคือการปวดแล้วการปฏิบัติไปเพราะาพุ๊ขณะหนึ่งมีพกมาเอ่พวกอนุสัยเข้าเข้ามาแค่แค่ได้ถึงแั๊เดี๋ยวก็กระจายออกแต่ทีนี้สุดท้ายมันจะไม่มีเลยเพราะว่มันจะว่างเองพราะจากการที่เราเรากระจายออกจนบินเป็นวสียครับจิตมันจะจํำได้ว่าสมมุติ มนเหมือนจองไฟเนี่ยเราจับปุ๊บดูจิตรู้ว่าไฟถอยเลยมันไม่มีจิตจอเข้าแตะมันจะเหมือนน้ำกิ้งไปรัวแต่นั้นยังใกล้ไปเดี๋ยวสักพักมันจะห่างไปเหมือนว่าถอยไปถอยไปจนถึงมันป็นจันทร์กับไอ้ผิวน้ำที่เขียนไว้ในเฟซบ่อยๆมันจะไม่เอาเรื่องเลยเพราะว่าแตะปุ๊บมันจะถอยกระจายเลยกระจายออกครับอันนี้เป็นฝนของที่อากาศไทยครับ มันเหมือนว่าจริงๆก็เหมือนฝึกหรือไม่ฝึกคือมันใช้คําพูดนี้ไม่ได้เหมือนว่ามันช่างมันไปแล้วเพราะว่ามันมันยังมีพวกความโกรธความอะไรปฏิฆาอะไรนิดหน้อยนี่นะมีแต่เราไม่เอาแตนเรียดอยู่มีแล้วมันสั้นมากไอไอวินาทีหนึ่งเนี่ยอย่างแป๊บเดียวพุบเราเห็นพุ๊บเราก็กระจายออกละสลัดทิ้งสลัดทิ้งมันทํางานของมันเองหมดเลยคือเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําเลย เพราะถ้าันยังมีเราทําแล้วก็ยังมีตัวตัวเราไปคอยห้ามไปซ้อนเนี่ยไอตัวที่ซ้อนคอยพร้อมคอยสั่งการเนี่ยมันจะอยู่อยู่ยังอยู่แม้แต่เราเห็นว่าว่างมันก็ยังว่างไม่ทิ้งเนาะเรามีตัวเราบางอ ย, อยู่อยู่ตัวสุดท้ายไอตัวตัวที่เรียกว่าผู้กํากับอยู่ข้างหลังอะเป็นต้อนอยู่เงียนเลยระ้บแล้วไอตัวเนี้ยจะสู่หกชาติต่อไปมันยังไม่มันไม่สึกล้นเราต้องขายจากอุบทานตัวเนี้ยจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิด มันมันสั่งอะไรมาเราเราไม่ได้ฟังแล้วเพราะว่ามันสักว่าหมดก็สมมติคนเขาฝึกมาเขายังสลับอารมณ์ไม่ได้นนะมันควรจะต้องเริ่มออกจากภาวะไอ้พวกนี้คือไม่ซ้ําอุปทานไมจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เริ่มจากตรงนี้เลยเราไม่ให้ความหมายแล้วไม่ปั่นทงเห็นเห็นแล้วก็ให้ผ่านผ่านผ่านเหยนเฉยเสักว่ารู้ซื่อหรืออะไรอย่างนี้ครับ หรือเป็นเช่นนั้นเองที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านสอนมา น, นี้คือใช้ได้หมดเลยเพราะว่าใช้ผ่านอย่างเดียวเพราะถ้าใช้ความหมายกับมันร่วมทีไรปุ๊บเราจะเป็นผู้เล่นไปกับมันเองสกายเป็นตัวนั้นเลยใช้อะไรไม่ได้แม้แต่แม้ไปร่วมด้วยอะไรไม่ได้อตัวที่อยู่เบื้องหลังอะ่ะมันเป็นตัวสําคัญเลย <laughs> พ่อมีอะไรแต่พอขับคันไรครับมันก็เลยจะเหมือนว่าไม่ค่อยไม่รู้อะไรเลยเพราะว่ามันตัดรู้ไปรู้ที่สั้นแต่เดิมเรารู้เยอะมากมายรู้จนเป็นความหมายจนรู้มันจะแคบแคบแคบแเลือๆรู้นี่จนไม่เอารู้ทํามันกเหมือนว่า กายเป็นคืายต้องไม่เหลือรู้เลยไม่เหลือรู้เลยรู้ว่าช่างไม่รู้ก็ช่างสักว่ารู้ไปไม่มีว่ารู้มากรู้น้อยรู้นิดรู้หน่อยไม่มาตัดมันคลายสักว่ารู้คือแม้แต่อันไหนมันก็ไม่เชื่อสักฝังแต่มันมีนะไม่ใช่ปฏิเสธแหละข้าไม่เลยตามครับเราเพียงแต่ว่าขอยอุปทานให้หมดสิ้นเลย วันหนึ่งก็คือหน้าที่อย่างนี้คือถอยจาอุปทานเราไม่ย้ำไม่สั่งการเพราะเดิมทั้งชีวิตเราโมจะสั่งการตลอดว่าเอาอยู่เบื้องเบื้องหลังเนี่ยมันสั่งการตลอดนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นครับเราคลายจากตัวนี้ไอ้ตัวข้างหลังมันก็จะหายไปแล้วสุดท้ายมันจะค่อยหายไ่ได้หายทีไม่แค่หายทีเดียวอลาหันเลยทำไม่ใช่ต้องใช้ใช้เวลาเพราะว่ามันไอ้ตัวนี้ก็ทุกคนก็ไม่เท่ากันนะเพราะว่าบางคนมีกรรมมาหลายวัดต่าง อาจจะบางคนอาจจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็จริงบางคนอาจจะใช้นานอันนี้ขึ้อนอยู่กับนั่นมาแต่ว่าในเฟซของของที่ผมเขียนนะครับคนตื่นเยอะมากนะครับใช้ประมาณร่วม50ากว่าคนนะครับเหมือนว่าเริ่มขครอุปทานไม่สงสัยอะไรเราแก้งคําถามส่งไปก็เฉยกันหมดแล้วเพราะว่าเขารู้มุกแล้วลว่าว่ามันนี้ไอคือคํารุงแต่งเหมือน ว, ว่าเอาส่งอันนี้ปุ๊บแกงส่งคําถามหลายคนตอบตอบมาเราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้ยัง เล่าไปยาวเลยทีนี้แซวว่าหลงทางขารไมเยอะ mm. เราจะดูรู้ว่าไอคนเนี้ยปุ๊บปรงแต่งหรือไม่ปลุงแต่งมันก็จะดจางจืดทุกอย่างมันจะจืดไปเองแตมีนะไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีกฎข่มที่ที่สมาธิปัจจุบันเนี้ยมันมีกฎข่มอนว่าเราต้องเป็นคนดีเรามีสติเรามีสมาธิห้ามโกรธห้ามนั่นนี่โกรธก็โกรธก็โกรธตอนแรกอาจจะโกรธนะ ถ้าพักมันจาภาวะโกรธได้มันก็จะเลิกโกรธเองมันรู้ว่ามันไม่ดีไม่มีเราสั่งการมันจะหายไปเองหมดแต่ถ้าเรามีเบรกเราเนี่ยปุ๊บมันจะยิ่งโกรธง่ายเพราะว่าต่อไปไม่พอใจไม่พอใจอะไรเพ่งปุ๊บมันปื้อขึ้นเลยเพราะเราไปสั่งการไม่บ่อยๆย้ำย้ำมันบังมันบังคับอยู่ ถ้ามีบังคับอยู่นี่มันจะกลับมาอีกอ่มันจะกลับมาแล้วหนักกว่าเดิมตลอดมันจะเป็นผมกดนะครับแล้วคนนั้นจะปีดแรงมากต่อไปเนาะผมผมอันอันอันอันเหมือนนั่งสมาธิปุ๊บที่ว่าเป็นเข่าสมาธิไปลึกๆๆพอระเบิดต้มต้องระเบิดหลายๆครั้งเนี่ยเฮ้ยมันอันนั้นคือเขาอัานมากเขาตั้งใจสมาธิที่ตั้งใจมากมันก็จะลดขนาดที่าาการถือนะครับไม่มีหรอไม่มีเลยตรงหลังไม่ ผมไม่ได้พุดคพิ่งคุยกับจาจรยครับแค่เคยมาหาสมบหรณอ๋อครับครับตอนเยน็นๆก็ชวนขันมาตรงนี้ครับยมย ม, ยม น, นันรู้สึกจะอยู่กรุงเทพมันคับดิบอยูแล้วใช่ครับออพอดีบอกว่าตอนแรกวันวันที่15้าจะมาพอดีผมผมไปเชียงรายต่อครับครับจะไปไหนไปที่วัดตองพ่อพบโชคนะครับอ๋อวัด้ากวนิมอ้ล่ะครับไปไปปลดคำนั้นดูวงแม่หน่ครับ แต่พอดีให้ให้ไปคลายกะแสอะไรบางอย่างนะครับพวกอาว่าจะเนี่ยสายอ๋อครับเราจะง้อหนาวไม่ทับตรงนั้นครับเกอร์หนาวนิดหน่อยไม่ไม่มาครับมีฝนก็ด้วยซ้าครับไปครับเลยหลังๆเหมือนผมไปไปับไปเดินคลายเงี้ยครับไม่ไม่เดทอะไรเลยครับมันก็แต่ว่าพวกฟรยานพวกเอ้อะไรเนี้ยก็จะเห็นแปรเห็นไนู่นไปนี่เปนั่นไปแต่ เราเขาเฉยๆไปแล้วก็ค่อยๆดับอุปทานนี่เขาเพราะเน้นเน้นเนี่ยคือไม่ให้ความหมายไม่ให้ความเห็นต่อก็คือ ด, ดับตัดให้ตัวดับสุดตัวดับไ ป, บไปเพราะว่ายังไงถ้าถ้าไม่ดับนะเขายังปรุงแต่งไปนนแม้คิดถูกก็ยังผิดเพราะว่ามันถูกก็ยังเป็นแอร์โลดุคุคละกระโดกิยะอยู่เขายังแบ่งสองฝั่งเกิดกาดับจะยังสองฝั่ง แล้วใครจะไปเห็นสองฝั่งก็คือไอ้ผู้กํากับเนี่ยมันพร้อมออกไปพบหน้าตลอดเราต้องอเราต้องหยุดหยุดทั้งสองฝั่งเลยคือออกจะทําผู้ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเห็นไม่เห็นมันก็จะคหายออกเรื่อยๆไอ้ตัวพวกจับก็จะหายไปเองขออาจารย์ใช้วิธีฝึกโดยการค่ายออกมาถ่ายออกมาถ่ายออ ก, ออกทุกความเห็นทุกความหมายคือไม่ไม่ไม่ตอบต่อบหาให้มันไม่ตอบหาให้มันอาจารย์ใช้วิธีนี้ใช่วิธีนี้ <laughs> แล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็ไม่ไหลตามแล้วก็ไม่ปฏิเสธเห็นทุกอย่างมันก็จะเป็นภาพปกติมันมันจะไม่กุ้มแต่งของมันเองเราก็จะเห็นธรรมชาติเองเดิมแท้หรือจางจริงจริจางที่ว่าไม่มีเราไปบอกจางถ้าถ้าจางทั่วไปเนี่ยคือเขาบอกว่าเดินสายจางแต่จริงๆเอาตัวเองวัดหมดตัวเองไงคือจะดิบยูนิสัยมันหลอกตัวเองอยู่นะไอ้เนี่ยของเราจางยังไงก็ไม่จางถ้าจางจริงจรต้องไม่มีเรา เหมือนว่างเนี่ยว่างจริงๆต้องไม่มีเราแต่เราเห็นว่าว่างยังมีเราเห็นว่าว่างมันก็มันก็คือหลอกตัวเองคือเหมือนว่าโดยที่ว่าต้องต้องไม่มีตัวเองให้หลอกครับมันก็เป็นภาวะจริงๆไปมาปมีประสบการณ์ภาวะนี้ใช่ครับเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆจะเป็นว่าเสีันก็ไอตัวตัวทําพู่มั น, นจะคนที่อยู่เบื้องหลังมันจะหายตัวเอง โดยที่ว่าวางโดยไม่มีผู้วางวางเดยไม่มีวางไม่ต้องมีเราไปวางไม่ต้องมีเราไปวางอาจารย์ได้วิธีดีมากีกปีครีบจะตุดทุีคได้ประมาณสามสามสองปีสามปีครับใช้ครับ2ปีให้วอาจารย์พักชก น, น, น, น, นะท่านในวงท่านอาจารย์พักชกเน้นเป็นมหากโกนาครับ เป็นโพธิสัตว์คือมองท้องฟ้าแล้วก็ทุกอย่างคือพระทุกเจา้าเราก็คือพระพุทธจา้าทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันแต่ก็จะมีอัปสู่มหามหาสุณารึก็เป็นศุลตาศุลตต า, ารือไม่มีอะไ ร, ะรนั่นสุณารับทัพที่หนึ่งสุนตตาในความว่างในธรรมชาตินั้นมันมีมหมาเมตตาอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่แล้วครับมีพระพุทธพระพุทธเจ้าทุกองก็อยู่อยู่ใน ที่มีกันหมดถ้าเราว่างก็จะเชื่อมถึงท่านแต่ถ้าเราไม่ว่างมันจะมีแต่กีเลมีแต่พบชาติที่มันผังดนันนะพวกพวกพวกพวกเราเอาความคิดไหลาตามตามตามตามแต่ถ้าเราอยู่ว่างปุบสักาพากักมันจะหยุดว่างของมันเองเพราะว่าเมื่อไหร่มันแสดงธรรมชาติให้ดูตลอดอยู่แล้วเพราะคิดยังไงไม่คิดคิดแค่ไม่กี่นาทีสองนาทีเดี๋ยวมันก็หยุดมันจะว่างของมันเองสัาพากพกักความเคยชินมันก็จะผักดันให้เราคิดต่อ แต่เนี้ยเราไม่ได้ดูไอ้ตัวที่ว่างเลยครับเแต่ดูแต่ความคิด<ม>ไอ้ช่องว่างเนี้ยหายไปหมดเลยกลายเป็นความคิดที่มันต่อเนื่องเป็นไม่เห็นตัว<ม>ช่องว่างนเลยนี้เพอเราเห็นช่องว่างมากขึ้ น, นตัวช่องว่างเนี้ยมันจะมีพลังขึ้นได้เลยๆจ น, นไอ้ความคิดที่แทรกขัด่านเลมันห่างมากขึ้นมันก็จะทําอะไรไม่ได้ครับเหมือนกันครับ ต้องใช่ครับไปเข้าใจหลวงพ่อครับอาจารย์มีคลิปรูกสิษย์ลูกหาไปลงใน y o youtube ไม่ไม่เคยครับเพราะส่วนมากไม่เคยได้เพจนะครับพอคุยกันเฉยๆคุยเป็นกลุ่มน้อยๆแล้วก็ให้ติดตื่นแล้วก็เน้นให้อ่านในเฟซเจอ์ข้าวเพราะว่าถ้าสอนเยอะส่วนใหญ่เป็นสัญญา แล้วก็พูดเยอะและเอาธรรมะไปแข่งกันว่าคนนู้นถึงคนนี้ถึงจริงๆถ้าถ้ามีพูดถึงน่ะก็ไม่ใช่ละเพราะว่าธรรมมันไม่มีไม่มีภาษาไม่มีอะไรที่จะยึดได้ถ้ามีผู้เป็นเจ้าของธรรมอันนั้นก็หลงไปเป็นตนไปเห็นอาจารย์เอาคลิปของอาจารย์ตักน้องของผอาจารย์ครั บ, บใช้ครับจะชอบของมหายานถ้าที่เวียด น, นามที่ต่างประเทศ ไต้หวันเนี่ครับจะจะของทำของท่านตักนอเยอะมากพ่อลองลองดูก็ได้ครับดีนะครับพ่อชอบดีแล้วเป็นท่านสอนเห็นภาพง่ายปุบ๊บเราดูปุ๊บเราเข้าใจครับอย่างหลายท่านในห้องก็งมีของอาจารย์หลายท่าน๋อครับตัว อ่นานมาเหมือนกันครับอ่านปุ๊บแล้วก็เป็นเป็นท่านที่ว่ามีมีธรรม ท, ที่ว่าปุ๊บเหมือนเหมือนเชื่อมโยงง่ายคือใครที่มีมีภาวะอย่างนี้ยอ่านปุ๊บท่านจะเหมือนจะเข้าง่าย <c oughs> แต่ที่สําคัญก็คือปัจจุบันถ้าเราไม่เอาอาดีตนะครับมาคิดปุ๊บมันจะปัจจุบันตัวเนี้ยตัวปัจจุบันเราจะไม่มีตัวเราจะน้อยลงเรื่อยๆเื่เอๆเรื่ยจนไอ้ปัจจุบันเนี้ยหายไป นะครับจะย้ําตรงนี้เพราะว่าพอเราไม่เอาของเก่ามาคิดก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวละมั น, มน จ, ะจะอยู่ว่างอยู่ใช่ไปอ่านของเกทั ก, กโซเล่ไหมไม่เคยอ่านเลยครับเน้นเทอร์เนรยลเทอร์เนียที่ตัวปัจจุบั น, นครับแต่ดีไม่ได้อานน่านดีนี่ไม่ได้เน้นปัจจุบันเลยนะเพราะว่าปัจจุบันจะหายไปเองปัจจุบันก็ไม่มีไม่มีนต่จะบอกว่าเพราะยังมีปัจจุบันก็คือตัวภพชาติตัวสติคือตัวกจำถ้ายิงขาดสติเคือเหมือนว่า ในส่วนี่ผ่านพรสติก็คือโัวตัวกรรมเวลามันเรื่องเวลามีเวลาคือปีกรรมมีตัวเองมีสติมีไอ้นี่ยคือปุ๊บพอปุบไอ้ตัวเนี้ยคือคนใจที่จะสืบต่อครับปุ๊บไอ้ตัวเนี้ตายแต่ถ้าเราปฏิเสธสิ่งนี้มันก็จะเป็นตัวตนที่ซ้อนแบบซ้อนเข้าไปถ้าเราไหลาตามก็จะเป็นอีกสิ่งน่าเหมือนกันก็ยังมีตัวสุดท้ายเชื่ออะไรไม่ได้ถ้า ต, ต้อง ถูกผิดใช้ไม่ใช่ล้านอุปทานหมดเพราะว่าถ้าเชื่อสิ่งไหนมันก็เป็นอุปทานแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็เป็นอุปทานไปแ ล, ล้วน้องคายมดเหมือ น, นแบบดิมแค่ขณะหนึ่งสูขขณะหนึ่งไปไเรื่อยใช่ครับแมนะ้แต่ขณะก็ยังไม่ใช่แต่แต่ก็ยังมีอยู่ขณะแค่นั้นนะหรือไว้อยู่เพื่อเพื่อสั่งชาววัดไปแต่แต่ตัวจริงๆเราเขาไม่มี พอเวลาขณะหนึ่งปุ๊บมีอันหนึ่งก็คือคือมาจุลาตามมาทาันแล้วแต่เราตามหาเจอตามหาเจอแค่ขนาดหนึ่งปุ <S <s <ci val> <พ>๊บเัาคิดนี่ปุ๊บแค่ขณะหนึ่งเนี่ยโตตัวแล <s ci val> ้วครับ <s ci val> นั่นแหละครับต้องยอง <S <s <ci val> แต่ไม่ยากเลยจริงๆบอกว่าให้ระคายประทาน <S <s <ci val> มันก็เลยไม่เอาของเก่ามาคิดก็จะไม่มีไม่มีปัจจุบันนะยอมลองสังเกตดูคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเอาของเก่ามาคิด ค, ครับแน่นามาปุงพ อ, พอสองสิ่งไม่มีปุ๊บมันไม่มีอะไรเลยวางจริงๆของมันเองเลย <c oughs> แต่ก็ช่วงแรกอะก็ต้องต้องเหมือนว่าให้ให้เคยกินเป็นวัตสีออบสิ่งเนี้ยเพราะมันยังเราไม่ไม่สามารถที่จะห้ามเลยเพราะความเคยกินเราตอกย้ำนั่นแหมีชีวิตมาหลายครั้งใชคนใหม่ๆจุดเริ่มต้นอาจารย์ชี้เ้าเห็นอะไรชีให้เห็นก็ ให้เห็นของคนใหม่ๆใ ห, ให้ให้มีให้มีเห็นปัจจุบันแล้วก็ไม่เอาอดีตมาคิดเห็ปัจจุบันครับไม่เอาอดีตคิดครับแล้วก็ให้ไม่ไม่ตลอดเลยว่าทุกสิ่งที่มันอหลอกมาทั้ความคิดก็ไม่ไม่อย่างเดียว <c oughs> ไม่ไหลาตามและก็ไม่ปฏิเสธ <c oughs> แต่ไม่ใช่ปฏิเสธนะ <c oughs> ถ้าเราบอกไม่ไม่ไม่มันก็เหมือนมีเราบอกไม่ไม่ปฏิเสธแล้ว้อใหม่เลยตามไม่ได้ตามต้องให้หาสภาวะตรงกลางที่ถ<ช>ับเ<า>นี่ย น, นะครับแต่แต่จะเรียกขั้นๆว่าไม่ไม่ไม่ถึงไม่หลตามแล้วไม่ปฏิเสธก็มันถือว่าผ่านอย่างเดียวแล้วครับพอมีตัวมีตัวเข้าไปเมื่อไหร่สังเกตหรือตัวอะไรที่เราปรุงหรือให้ความหมายคือสังขารทั้งนั้นแหละครับแล้วเราจะเอาความหมายของเราเอาจิตทิเอาความรู้ความเห็นความหมายเรา เราไปใส่แล้วก็เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเ ป, เป็นกลางทันทีแต่จริงๆเราเอาอะความคิดเราไปใส่เปนกลางแต่นี้ถ้าไม่มีตัวเราอ่ะคือกลางจริงสภาวะที่ไม่มีตัวเราอาจารย์ถ้าเห็นตรงนี้ไม่ใส่ความหมายไม่ซ้อนลงไปหลลัวเลาะปุ๊บมันก็แป๊บเดียวมันก็หยุดเองหัวใจก็เต้นเองกินอาหารย่อยเองอร่อยแป๊บเดียวมันก็รู้เองแล้วมันก็ทุกอย่างมันทําหน้าที่เองเองเองช่นนั้นเองแล้วก็ไป ที่หลวงพ่อชาบอกเป็นเช่นนั้นเองนะครับแล้วหลวงพ่อเทียนก็บอกรู้ซื่อคือคืออย่าไปแจม <c oughs> อย่าไปให้ความหมายเพิ่มนึกถิงลุกหาอาจารย์ที่ปรึกษามา<ะ>ได้ผลเป็นยังไงก็ก็ส่วนใหญ่ความความสงสัยก็จะหายไปพอจะบอกย้ำเรื่องความสงสัยมันก็มีแป๊บเดียวปุบถ้าเราต้องการความสงสัยต้องการคําตอบมันก็จะพอได้คําตอบ สงสัยก็ยังอยู่แล้วก็สงสัยไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรารู้สงสัยมันก็มีทุกอย่างมีแค่ขณะขณะขณะเราไม่ใส่ตามนะครับปฏิเสธไม่ไปเสริมเชื้อมันก็หายเองแล้วคําตอบเราก็ไม่ต้องการเนี่ยเพราะว่าสักพั้งมันก็จะหายเองคุณเห็นสิ่งที่เราสงสัยอยู่ตัวเรากําลัางสงสัย<ะ>อยู่คุณเหนแ้วนะครับถ้าเราก็จะเลิกสงสัยแล้วสงสัยไปเองสุดท้ายมันหมดคำหมดสงสัยไปเลยเพราะว่าไม่มีค่าอะไรแล้วจักที่จี้กระถามจับกระทำก็มหมดไป สุดท้ายมันก็ไม่มีคําถามเลยต้องถามแล้วก็เข้าสู่ว่างไปเลยในตัวเพราะถึงในอาจารย์ถ้าทุกถ้ามีคนมาถามตลอดเนี้ยอาจารย์ก็ต้องตอบตอบตอบอบตอบคนนั้นก็จะสงสัยไม่มีวันจบถ้าเราไม่ชี้ให้ดูตรงเนี้ยวาสงสัยมันก็ไม่เที่ยงนะแบั๊บเดียวมันก็หายไปแค่เท่าเราไม่ไปเติ ม, ไ ม, ตมไม่ไหลตามไม่ปฏิเสธนี่ไงต้องร้อยคนจะต้องต่าร้อ100ใช้คำค<น>แล้วก็จะมีคําถามไปเรื่อยๆ ทั้งวันก็ถามตอบถามตอบลูกางนี้นา่ u, นาจะเยอะนะครับแต่ทีนี้มาถึงก็ตัดคําถามตัดคําตอบเลยไม่ต้องพู ด, ด, ด<笑><笑>แล้วดับเป็นหมดครับแม้วระสู่เข้าสู่จิตเตอมแทนได้ง่ายเพราะฉับพลันอันนี้คือวิทยาลัไม่ต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่คือหายตัวไปเลยเพราะว่าถ้าเรายังไม่ยังใช้ฟังเห็นความหมายที่ิเรามันหายตัวไม่ได้แล้วมันยี่อันนะั้นคือกรรมเลยเพราะว่า มีาเขเข้าสู่จิตเดิมแท้ได้ครั้งแรกแล้วเขาจะพัฒนาต่อยังนงครับนพัฒนาคือช่องว่างช่องว่างจะเพิ่มขึ้นความสงสัยทุกภาวะมันจะสั้นลงแล้วก็ภาวะเดิมแท้ก็จะเสถียรขึ้นทีนี้คือเป็นช่องว่างมันทางมากขึ้นใช่มากคือแต่ละคนก็ไปใช้คำสังเกตนะใช่ครับต้องต้องไปจะจะเรียกว่าปฏิบัติเรื่ออะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ปฏิบัติหรอกมันคือคือ มันมีอยู่แล้วทันทุกคนเลยนะเหมือนเหมือนเอตื่นเนี่ยภาวะตื่นหรือเขาเรียกว่านิพานอยู่แล้วะครับมันมีอยู่แล้วเหมือนในน้ําน้ําน้ ำ, นำกแก้วหนึ่งมีทั้งตัวกกดทั้งเบตุส์มันก็คือมีน้ําเพียงจะเอาเอาสิ่งที่ที่ไม่เนี่ยออกไปอย่างเมฆมันบงังแต่ท้องฟ้ามันก็มีนิพานพระพุทธเจ้าเขาอยู่ในท่กทุกๆส่วนเพียงแต่ว่าให้ความเห็นผิดออกไปแค่นั้นเอง ก็คือให้ช่องว่างตัวนี้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือคือตัวนี้เราไม่ต้องไม่ต้องไปไปสร้างขึ้นเลยเพราะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เอาความความรู้ความเห็นความหม่ที่เราได้มาในชาติเนี้ทิ้งไปคืนคืนสวยอนนี้อย่าใช้เลยเพราะถ้าใช้ปุ๊บมันไม่จบแต่ถ้าทิ้งฉับพันโดยทิ้งตัวทิ้งความรู้ความหมายนี่คือหมดละจบเลยทีเดียวมันง่ายๆแค่พลิกปุ๊บทีเดียวไม่เอาความหมายไม่เอาความรู้ฉับพันทีเดียว คำถามคําตอบก็ไม่มีแล้วหมดอันนี้ใช้ได้กับกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยครับผันเรื่องสงสัยในทุกๆเรื่องท ำ, ำมัก ด, ดีครับมันจะไม่ไมีมมสงสัยเลยเพราะว่ามันไม่มีเลยเพราะว่ารู้รู้ปุ๊มันจะสงสัยตอ่อครับไม่มีเทียงแล้วมันก็จะสงสัยไปเรื่อยคําตอบพอได้คําตอบก็ต้องจัดการอันอื่นจบเลยจบจบคู่สงสัยแล้วจบคู่ต้องการคําตอบ แล้วมันก็มีต้องไปเอาอะไรความหมายอะไรเพิ่มเติมอ่ะมันพร้อมในตัวมันเองมันมันคือคือไรภาษาอยู่ตรงเนี้ยเรียกว่าจิตสูตจิตแล้วเขไม่ต้องจ้างอะไรละเพราะว่าคาตอบคําถามทั้งเดิมแท้หรือมิพานหรืออรหรันต์เขาไมทิ้งหมดแหละมันไม่ได้ใช้สมมุติบัญญัติเลยไม่ต้อง<ห>อะไรเล ย, เลยคือตรงเนี้ยเราชี้ให้เห็นปุ๊บแท้ทิงทุกอย่างชั่ว ฉับพันว่าชนะยาเนี่นยปุ๊บที้เดียวให้ทิ้งหมดเพราะว่าไม่ต้องไปถึงกล่าวถึงไอ้สิ่งที่มีอยู่แค่คลายสิ่งที่ปัจจุบันที่เรายึดเนี่ยยึดสิ่งไหน่ะยึดยึดไอ้คลายออกจากสิ่งที่ยึดกันิพพานเลยแต่แต่คนไทยจะกลัวคำว่านิพพานจะอาจจะเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ไดครับ แ, แ, แล้วแต่จะเรียกคือสุดท้าย้สมบัติือสมมติบัญญัติเนี่ยเรา เราจะไม่เคยได้ใช้แล้วเขาจะขายพอพอถึงภาวะ น, นี้มันไม่จำเป็นเลยครับพ่อมอเของพอช่วยเสมยครับของผมก็มมยังไม่ยังต้องกันกรองอยู่ครับเพราะว่ายังถึงแปดองศาก็ยังต้องต้องนน้นอยู่ <c oughs> อนนี้ก็มีพระมาสนใจทางนี้เยอะมีมันชาติฐา น, นีคนครับมีเพจก็มีเยอะ ค, คนทีงสนใจในมาอาสาไหมครับก็มีสถานปฏิบัติที่นึงที่ครบถ้วงครับที่ครบถ้ินดี แล้วพ่อพอมีพระอยู่ที่นั่นเยอะั้ยครับไม่มีเยออ๋อมมีอยู่โรงเรียนอ๋อแต่ช่วงตอนที่ไปกรุงเทพพ่อพ้ออยู่ที่ไหนบ้างเยอะใช่ครับผมผมยังอยู่ลาบากเลยเพราะว่าบางบางทีอยู่กับพระเยอะาเงี้ยหรือว่าเราผมก็ยังขายอยู่อาจารย์โพลท่าท่าที่พักทาที่พักอยู่ครับยังมีคนเอมีที่น้ำเงินมีเสียงครับพระอะไรไม่อยู่วครับ เราก็ทำก็ไม่ได้นะทำไม่ได้ครับครับล้วก็อยู่ยังยุ่งยากกันแล้วกันครับท้องใครก็ไม่ได้แล้วอยู่รักษาเลยเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรใครครับก็ไม่ควรจะไปเที่ยวไหนไม่มีรถไม่มีเลาครับแเวดแก่แล้วครับของของผมเส่วนมากแตกหลางหลังคอ ภาวะานี้มามันจะมีคนชวนไปเรื่อยๆให้ไปเขาเรียก ว, ว่าให้ไปปวดหรือแผลในตารหรืออะไรองี้ครับเป็นสถานที่ดุดูเข็นเขี้ยนเนื้ออะไรแผลเต็มหมดเลยครับเป็นกลายเป็นว่า15วันแล้วออกไม่ออกแล้วเราก็เหมือนว่าจริงๆเราก็ไม่ไม่ได้เหมือนว่าจิตมันว่างไม่มีอะไรทํำก็เสือส้อคูณไปนะครับแล้วเหมือนกับเราก่งจองอยู่แล้ว่อยเหมือนว่ายังไม่ยังต้องต้องกังจองต้องศึกษาอยู่ครับว่า S <S เวลาจาันแผดเมตตานี่ยจันใช้บทไหนหรือใช้จิตใช้จิตเกอเราคืออากาศก็คือหายใจเนี่ยระบาอากาศข้างนอกคือสิ่งเดียวกันแล้วทำเงี้ยไปเรื่อยเรือยกลา ย, เ, ยเป็นว่าเขาเรียกเข้าอารูปไปเด่นตัวกลายเป็นเอาไปให้ครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับดูปกุกบอย่างหลวงพ่อ ป, ปาโมโนหลวงปู่เปวียนหลวงปู่ท่อนหลวงพ่อตลายคนนะครับอาจารย์ให่อาจารย์ติงให้ท่านเช็คดูเล่นๆเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับแต่ว่ากลายเป็นอรูปชั้นตูปไปท่านก็พอ หอกเข้าได้ไวแต่จร<บ>ิงเราก็ไม่ได้เน้นด้านนี้นะแต่ว่าเหมือนว่าเราก็เป็นเครื่องเครื่องเล่นๆไปอารุณนี่ ม, มันเอาไปใช้อะไรได้บ้ายเป็นว่าเนี่ยกลายเป็นโปนสัพสัตได้แใช้แผ่เมตตาใช้เกลือกูลพวกวิญญาณที่ตกค้างก็คือระดับอารมณวญญาณเลยคร<ำ>ับออกมาจากจิตที่ว่ า, างจิตที่วางคับใช่ครับเหมือนเหมือนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่มันจะจมแช่กับความคิด พอตายปุ๊บความคิดนั้นยังอยู่ในแว่นนั้นมันไม่ไปไหนแค่นี้พอเราปิด ท, ที่ว่างเนี่ยมันเดินไปไหนปุ๊บมันท่ายล้างให้เลยพวกนั้นก็เหมือนาับตกใจหรือเปลี่ยนาหาวะคือเห็นว่าปุ๊บมันจะถ่ายเลยมันสามารถเ ป, เปเลี่ยนได้เลยแต่เห็นคือตอนแรกก็ไม่เชื่อครับคือไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็บอกว่ามีโยมเกอไต้หวันนะครับเป็นเป็นเราซื้อพาไปห้าสิบเอดทีแล้วก็เป็นเออ ผูกเข่าทั้งลูกเป็นคนตายเป็นโครครับแล้วก็เขาก็มาขอบคุณกันใหญ่นว่าว่าอะไรแต่เราไม่เห็นเนี่ยนะครับแต่แล้วก็มีทั้งท่านท่านพักชกทั้งนิมนต์ไปเนปาลแล้วก็ไปนู่นไปนี่กันครับครายอมจ่ายท่าจ่ายให้หมดนะครับทุกอย่างครับไปไปเจ็ดไปประเทศตัวที่ว่าเราไม่ได้ เสียสอะไรจะทำบุณมาได้นี่ครับแล้เราเราะจริงๆเราก็ยังไม่ได้เชื่อหรืออะไรไม่คืออยู่ที่ว่าไม่เชื่อเราไม่เชื่อคือไรอุบานเนี้ครับเราไม่เหมือนกิตยานเนี่ยถ้าเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยเราเห็นเราใส่บทให้เขามันจะมีกําลังทันทีเราหน้าที่ไม่ใช่จริงไม่จริงคือเราไม่ได้ใส่อะไรให้มันก็หลางไปจากแ้นกําหนดลมหายใจเข้าสมาธิไม่ได้กําหนดเลยคือ สมมติเราหายใจก็ออกไปให้นี้ยปุ๊บมันจะฟางเป็นตำบนอะไเป็นฟางอะไรไม่ได้กําหนด อ, อะไรเลยไม่ได้กำหนดอะไรหายตัวเลไรตัวก็หายนอกข้าในคือสิ่งเดียวกันมันก็จะเหมือนว่าควาแรงเอแรงน้มถ่วงของของตัวเราอะคือถ้าเราคิดปุ๊บมันจะมีความหนักขึ้นมายิ่งเราโกรธสังเกต ด, ดูโอ้หนักมากเลยพอพอเรามีสมาธิก็จะเบาลงแต่ทีจริงไอ้เนี่ยเบาอย่างหล อ, อกตัวเองอยู่ที่จริงมันต้องนอกเหนือคือออกหมดเลย น, นี่มีมวล ยังมียัยงมีอยู่ถ้ามีการคิดอะไรพวกมีมวลเราจะรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้มีความตั้งใจยิ่งข sure ึ้นมันก็เข้มขึ้นพอเราไปบนดูเขาวโป่งโร่พปุ๊มันก็จะหายเนี่ยไอ้ยังยังมีตัวนะแต่สุดสึกจะหายเลยครับแล้วพมันกาไม่จะไม่มีตรงใจดีมีความคิดอะไรเงี้ยครับีเอาไปรักษาโรคอะไรได้บไม่รู้เหมือนกันครับแต่แต่ จับืออันนี้คือแล้วแต่ว่าโยมมันนิมนต์คือเหมืว่าเราไม่มีอะไรทาด้วยครับว่าเราก็ไม่ไเชื่อแล้วไม่เชื่อนะแต่ว่าคําอนี้มนต์นโอเคคุณพ่ที่ให้คนนนี้นครับแล้วเขาเป็นโรคหลุดหายได้หายได้นะครับผมหลวพอชี้มีิ์ครับเขาคิดถึงใจเรื่องบเที่เเค อ, อ๋อเขาตกมครับแล้วอยาจ ก็ขับรถไปเขาว็คิดถึงชนะเก็บความกลัวอะไรับางๆเขาเอาตรงนี้มาปฏิบัติเขเนี่ยจ้าองเจ้าของที่นอ๋อครับเขาก็เลยจะเทาซอยนะครับตรงนี้ตน้งสปพรรณนะเนี่ยแล้วก็ทํานนี้ทำเนี่ยชาตุสพรรณก็เพิ่งขึ้นมาอยู่ได้สักสองีได้ไหมสองปีสองศรรครับ ก็ภาษาก็อยู่ที่เนี่มันจะไปไหนอ๋อครับอยู่องเดียวใช่แล้วที่ที่ปรที่ประชุมประคับที่ประชุมก็เพิ่งไปอยู่มาได้สักสองเดือนเป็นวัดประคับไม่ได้เป็นวัดเป็นสถานที่รุยมเขาเพราะทำเป็นสถานปฏิบัติเขาเม้ให้พระองค์หนึ่งตรงนี้มีปัญหากันเขาก็ขอคืนไม่มีใครอยู่เขาก็เลยมีลูกศิษย์เข้าไปมีหมดหลวงพ่อไปอยู่อเขาเลยไปรู้จักเจ้าของเขาไปเขาแค่ เขากาลังหาอยู่ครับหรือว่าหรือว่าแต่ว่าถ้าถ้ามิโยมเอแพงเลงก็คงไม่สะดวกนะครับเฮ้ยที่นี่ที่นีที่นีมีเพลงเลงเพลงเลงแล้ไปนานๆที่เดียวอย่างคณะตำบลมาอะไรต่อไปง่ายๆตัวอะไรพ่อไปอยู่ว่าไปที่อยู่ว้าอะไรอย่าอยู่ประจำที่เดียวเอาไปมีน้องเดือนก็เลย มีหลายอี่แ ล, อออออแล้วครับผมผมต้องเหมือนต้องเหมือนพอแหละครับเป็นแบบทําไว้ไหลายที่ <laughs> พอแล้วเริ่มอยู่แบบแล้วมันก็อันนี้ครับเข้าใจครับน้ำจำเรื่องท เ, เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ใช่ครับมันเป็นวกรีนี้ครับต้องรู้นะใช่ครับทำอะไรอะไรพิธีทำอันนี้เร า, มเรามไม่มีมียอมอะไรเขาใช้คําเข้าใจครับ เขาผมอยู่ที่ที่ททจังหวัดเลยก็จะเป็นชายๆหลองพ่อเนี่ยใช่ครับรีลวงพ่อโคสีเพราะว่าเขาเาจริงๆชอบตรงนั้นคือไม่มีใครมายุ่งกับเราเหมือนผมไปพุอยู่ดีเขามียกกุติกุติใหญ่ให้เลยครับกเ็เลยอยู่แล้วไม่มีคนมายุ่งแต่แต่สักพพอพอเริ่มรังเริ่มออกเฟซคนเริ่มคน<อ><อ>เริ่มมาเขมรแล้วเขาาก็เลย แต่คนประมาณเท่าไหร่ประมาณ3ามพักนี0สามร้อคนแมนชี300คนมีอีกประมาณสาวมทั้งหมดเป็นหมู่บ้านหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าโอ้คงมันก็ได้ทําอะไรกันนะตอนเยินๆก็มารวมตัวกันตอนเช้าฟังธรรมแล้วก็ตักข้าวแล้วก็แยกเป็นของใครของมันอ๋อคือตางคนก็จักไปอยู่ที่เลยใช่ครับใช่ครับแต่ก็ไม่เคยไปจริข้อดีคือไม่มีใครยุ่งนะครับถ้าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับใครแต่สักพัก เขาจะมายุ่งเลยเออครับเลยก็ต้องออกไปครับ่โพสต์นี้นไ้ที่อ่าแคองคือตื่นออกนะครับสก็ส่ญญยาตาเหมือนกันครับสัพพันแต่อย่างท่านหมายว่าอย่างก็คือสัพพันนะครับ ค, คือโศโผล โ, โสตื่นเ น, น, น้นตื่นนะครับื่นตื่ น, นจะไม่ถึงเชิงแนวดีกอาจารย์นะาานะอาจารย์มีโพสต์สิโพส์สิงเนเป็นตัวนั้นมาก่อนใช่ครับแค่นี้ก็คือให้ ออกจากประธานเลยเพราะว่าถ้าเราเชื่อมันมันก็ยังมีตัวเราอยู่อ่ะทั้งเด็กชาแหละว่าไม่ไหลาตาเลยปเป็นพิเศษเหมือนกับว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้เอออยู่ที่นู่นอาจารย์ตัวสีก็เทศสอนทุกวันสอทุกวันทำแต่ก็โชคแรกๆก็ได้ไปไปกับหลวงพ่อโคศีไปต่างประเทศนะครับไปสามประเทศครั้น็นี้มลออกค้าให้สีนครับแต่ตอนหลังๆอยู่ดีก็ ยอมที่อื่นจะเริ่มมารู้จับจะทำทางเฟสจะเริ่มเริ่อาจารย์อยู่กับท่านตั้งแต่ขึ้นมาอยู่สองปีสองปีเพราะว่าหาที่อยู่ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าในสุดท้ายที่เนี่ยไม่มีคนยุ่ง่ำไปจัดแต่งทำพอไปอยู่วัดทั่วไปเขาพิธีเขาจะเยอะอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับต้วันเต้าตู้แล้วก็กลายเป็นวันพอพอเราต้องไปเป็นนันนะครับ เข้าตู้เฟ้าอะไรกันแล้วก็ไม่ใช่ใชครับแล้วก็เป็นงานนิมนต์วันวันหนึ่งไปแค่รับนิมนต์นะครับนี่หนูพ่ามาที่ทีรีกองอะไรไม่รู้เรื่องครับไม่ได้ทาดีครับอย่างเี้ยคือเคือไม่ ใ, <ล>ใส่อุปทาน ไ, าไปครับอาจารย์รู้จักคุณ น, นัาง รู้จักจากทางเฟซเนี่ยครับท่นนั้นโยมนั่นมาถามถามธรรมะแล้วก็เลยสุยปุ๊ก็กเลยชี้เห็นเดิอแค่เห็นจักรวาลเห็นอะไรบต้องต้องหมดความสงสัยไปครับ<อ> ก, ก็เป็นอย่างเี้ยเยอะมากครับประมาณสี่สิบห้าสิบคนครับ<ว>จะให้ยิงคาถามในเฟซตีคนเหมือนว่าคนมีภูมิธรรมที่ว่าอดีตชาติอย่างเงี้ยเขามาอ่านตรงนี้ยเขาจะรู้ทันทีตื่นได้ออก แค่เขี่ยๆแค่นั้นนะครับเพอเห็นแค่นี้เพราะจะไม่สอนไม่สอนขั้นต่ําแล้วอะไรคือเราปุ๊บโยนเหมือนโยนทำที่ว่าเป็นเป็นคีย์เวิร์ดไปปุกคนมาอ่านก็นจะตื่นครับเป็นใคพวกพวกเส้นนี่เขาเหมือนพวกมีชานะครับมันแปลว่าชาใช่ครับครัือครูบาจารย์คนรู้ว่าระจิตลูกศิษย์เลยครับแต่ แต่สุดท้ายทิ้งรู้หมดเพราะไม่ได้ไปสแกนไขแล้วครับเพราะถ้าตับเดียังมีตัวไปสแกนคอยเช็คก็ยังมีตัวเราอยู่จ้ยมันเคยตัวแล้วตัวเนี้ยเป็นแต่หนาปุ๊กเลยใหญ่มันกินยาครับนั่นนะครับจริงๆก็เป็นมารขั้นหนึ่งเขาเหมือนว่าเป็นไม่รูกสวยไม่รวยครับไม่ไม่สวยตัวของคลิปเยอะ มันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมไม่หลอกการพันธั น, นหรืออะไรสักอย่างมาให้คนอยู่ในวัฏฏะนี่แหละครับถ้าเราเรยังเชื่อสิ่งไหนว่ามีตัวเราเป็นตัวนั้นอะปุ๊บมันให้ที่อยู่ทันทีเราก็อยู่ในตรงนั้นอะอีกนานเลยต้องต้องไม่มีที่อยู่ของฐานของจิต ข, ข, ของอะไรต้องโค้องออกหมดจนไร้มนั่งไม่มีภาวะใดๆจับถือจับทองจับใดๆถ้ามีกายมีสติบล็อกอยู่ตรงไหนมันก็คือที่อยู่ตรงนั้นผมเคยไป โดนน้าเนี่ยคือกะว่าตัวสุดท้ายอะว่าถ้าตายนะสุดท้ายมันไปอยู่ที่ฐานอยู่ที่ลมหายใจมันไม่ยอมตายมันอยู่ปุ๊บสุดท้ายก็เพืออขึ้นมาแต่ไปอยู่ที่ลมหายใจลองกระโดดน้ำดู <c oughs> แล้วก็ทุกอย่างกลายเป็นว่าไอ้ตัวสุดท้ายไอ้ฐานที่เราเรียนรู้มาฐานธรรมกลายเป็นตัวสุดท้ายเราจะไปเกิดตรงทีนั้นเป็นภูมิธรรมภูมิจิตู มันไม่ได้ถึงรูองหรอย่างอื่นมันไม่เป็นของเก่ามันทำให้เราเสียงเสียงมัวมวนเลยทั้งอดอ่านทั้งอะไรใจมันเหมือนว่าตอนตอนเป็นคราว่าสมีฐานะนะครับตอนเป็นพระมันก็เหมือนว่าอยู่ดีมันมันไม่รู้มันผักดันมาเลยรู้ว่าสิ่งที่ผักดันข้างหลังนะครับมันคือความคิดเนี่ยครับเชื่ออะไรไม่ได้แต่นี้ไอเนี้ยมันเหมือนว่าให้เรารู้ด้านธรรมให้เรารู้รู้ปุบเราจะรู้ด้วยตนเองว่าไม่ใช่ะ สภาวะที่มันเกือบตายไม่ตายที่มันได้เรียนรู้อะไรเรียนรู้เพราะสุดท้ายมันจะเห็นตัวสุดท้ายว่าจิตเราไปอยู่ตรงไหน<ม>กลายเป็นว่าอ๋มันอยู่ที่ฐานธรรมที่เรากำหนดหใจครับหรือตัวรู้รมันมีอยู่สองปุ๊บมันก็ชิงไปชิงมาจตมันไม่ยอมตายสุดท้ายมันจะกลายเป็นตายปุ๊บไอตัวเนี้ยตัวสุดท้ายมันจะไปต่อไป คณะเราฝึกความเพอร์ชินไม่มีที่ฐานก็คือเนี่ยมีฐานอย้ยังมีฐานที่ที่หนึ่งใช่ครับมีพบอยู่มีพบอยู่ที่ไปทุกทุกครั้งเลยพื่อน้อสังเกตดูปุ๊บถ้าตัวเราหายไม่มีมีความคิดประชุชนทั่วไปเนี่ยครับจะมีความคิดที่ห่วงคนนู้นันนี้มันก็จะไปเกิดตรงนั้นแต่พวกที่มีธรรมก็จะมีมีลมหายใจมีสติดีที่ตั้ง พระทุตพะเจติกูบาลอาจารย์ทั่วไปมีสติปบใจัยเป็นภูมิที่สูงเพราะว่ายังมีที่อยู่เป็นภูมิธรรมแต่ท่านไม่พ้นนะเพราะว่าต้องไ ป, ปไปศึกษาอยู่กับสติอยู่แล้วครต้องแก่งรองเพิ่มแล้วก็ต้องมามาใหม่เพราะมีที่อยู่สติก็คือเป็นพบภพบหนึ่งเพราะยังมีที่อยู่ ม, มีมวลแบกมีละเอียดมันมีมวลแบก มวล่ะพร้อมที่จะไปเกิดจริงนะเพราะติดพวกกายกาคือกายเป็นตัวตัวแรกเนี่ยถ้าหายรูปพร้อมที่ออกไปออกอ่อยออกป๊อบไปจนจนสุดท้ายประมวลจำมนันับอยู่ตัวสุดท้ายน่ะว่าความเคยชินเราอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นตรงนั้นคืออาจารย์บอกว่าส<ร>ีคือรครับถตาสีมันทํางานในตัวมันเองไม่ได้มันต้องฟังงานร่วมกับจิตใช่ครับ ม, มันขันหาใช่ไหมครับขันห้ามีสติปุ๊บก็มีเราครับมีเราครั๊บมันติด แต่คนสมัยนี้ก็ทําเซนสติเยอะนะกายเป็นภูมิธรรมภูมิจิตก็เนี่ยอยู่กับตรงนั้และครับวันนี้มันลึกลึกกว่าอีกสองชาตมทำนี่ก็มาเรียนลึกเลยครับแสงมาเป็นเพี้ยนเป็นเรียกว่าเราเข้าสู่วิถีธรรมชาติใช่ครับได้สมบูรณ์นรือเปล่าครับปัญหาคือจะสมบูรณ์เมื่อไหร่ใช่ไหมครับแล้วเข้าถึงวิถีธรรมชาติสมบูรณ์เมื่อไหร่ เขาถึงโดยที่ว่าเราไม่ไปซ้อนมันเราจะเห็นง่ายขึ้นครับที่หลวงพอบอกอันนี้เกิดจากตัวปูแค่นั้นเขาไม่มีตัวปูมันก็ใช่ครับนี่แหะครับเราก็วิถีธรรมาชาติก็เป็นห น, นึ่งเดียวกั่เรียกว่าประสบการณ์ตรงนี้ใช่ครับประสบการณ์ชณีวิตตรงนีน้เราต้องอยู่กับตัวประสบการณ์ที่รประสบการณ์ของธรรมาชาติัตวกูนีนเยอะมาก พุนีไม่ค่อยนาวดีแล้วครับอยาเดินหน้าหลงพอจะลงมกรุงเทพอ๋อครับอาจารย์โอกาสได้ไหมได้ครับจะได้ห้อง4ี่ห้องสี่นะครับได้ครับเขาจะจะได้ตามหลงท่อเผื่อมีที่พักจะได้ขออนุญาตไปเวลาเดินทางมีที่พัมีมีคุณคอาจารย์มีเบอร์โทรัออครับศูนแปดสี่ครับหลวงพ่อกระตุ้งมากนอครับหลวงพ่อไม่มือ 81ของพ่อ81 259เจ็ 8, 2, 5, ดนะครับข้างหนึ่งครับอ่ยะยมเงินทองอ่ะ81 2 9 081 259 87 87 98 98